เทียบตามธรรมไหว้พระวาจาธรรมแต่เราก็อาจจะมีทางออกเจริญบนนะแต่อบายสัตว์เนี่ยเค้าไม่มีทางไม่รู้ด้วยซ้ําไม่รู้เรื่องพวก <c oughs> เลยไม่มีกิจกิจจยธรรมแล้วคนจะมามายาอย่างนี้เป็นมันก็ต้อง อันนี้เราก็มีโอกาสทําได้มากมันก็จึงเกิดกับคนได้หลายคนทีนี้ถ้าพระอรหันต์น่ะพระอรหันต์นั้นก็เกิด แต่ว่าบางท่านไม่มีวิบากผู้งานมหากุศลเรียกมหากุศลมหากุศลใดที่ยังมีวิบาก <c oughs> แล้วก็บุคคลคนเดียวกันอาจจะอยู่ในภูมิหลายภูมิได้ <c oughs> <c oughs> คือยังปุถุชนบุคคลเนี่ยมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเป็นปุถุชนใช่มั้ย ที่คุณสมบัติเดียวที่ผมว่าในหลายภูมิคุณสมบัติเดียวที่ผมว่าหมายถึงคุณสมบัติคนนั้นชื่อว่าเป็นปุถุชนละโดยเด็ดขาดสมมุติสักตัวเดียว <c oughs> เป็นบุคคลหลายๆบุคคลที่เกิดได้ในหลายๆภูมิอริยบุคคลได้มั้ยเป็นมนุษย์ได้ เทวดาโสดาเตวนาอรหันต์มีได้มั้ยได้เนี่ยไม่ว่าจะไปได้บนนู้นหรือได้ตั้งแต่มนุษย์อย่างนางวิสาขาเวลานี้ก็เป็นเทวดาอยู่ในชั้นที่นะแล้วก็พรหมที่เป็นโสดาที่เป็นถ้าโดยก็เท <c oughs> 31 มหากุศลเกิดในภูมิมากเนี่ยถามว่าเกิดใน อันนี้อาจจะต้องฝากไว้ให้คิดเอาเองเป็นการบ้านถ้าไม่คิดก็ตาม ได้ไม่ได้คนจะสงสัยได้เองสุนัขสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ตามวัดป่ามันน่าจะ จะมาฟังธรรมอย่างระวังธรรมนิดอย่างที่ถือว่าอ่อน เหมือนสอนให้ตัวนักจิ้มมันก็ทําได้ยิ้มเหมือนกันน่ะมันก็ไม่ได้หวานซึ้งเหมือนอย่างมนุษย์เรายิ้มจริงๆแล้วไอ้พวกเราบางคนสมัยก่อนนะเค้าอยู่แดนราบลาวอ่ะเค้าฟังเค้าเคยฟังผมพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ เออมันถ่าเล็บด้วยนะหมาอธิบายเค้านี่ก็คงชอบอยากโกลเลี้ยงแล้วก็เค้าบอกเนี่ยมันยิ้มบอกเนี่ยมันยิ้มดูดิเค้าให้มันยิ้มก็ถ่ายรูปไม่รู้พวกนี่เนี่ยเหลือรอยยิ้มผมอย่างไอ้ที่เรา จะพูดถึงเนี่ยอบายสัตว์เกิดกุศลบุญกิริยาข้อไหนน่าจะเป็นได้ถนัด 2 ข้อนี้ช่วย มันก็ถายนาไอ้นี่เราก็ไม่รู้มันจะ ผลเป็นประโยชน์แต่ไอ้ไก่ที่มันขันทุกเช้ามันคืออาการว่าเป็นประโยชน์ที่เขามีโอกาสที่ความคิดมันเล้น ก็แต่ก็พอได้หน่อยนะแต่ก็พอได้แล้วถ้าเป็นพวก <c oughs> ข้อที่เขาจะมีโอกาสเกิดได้นั้นก็คือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะไม่ทําอย่างนี้อีกๆในความจริงโอกาสหรือ <c oughs> จากพอจะพูดกันรู้เรื่องแต่เขาก็ไม่มีโอกาสพอจะพูดกันรู้เรื่องแต่เขาก็ไม่ 5 ใช่มั้ย 5 5 5 ข้อนี่คือมหาที่ มุ่งเอาขอบเขตในการเกิดอย่างนี้ทีนี้จําเป็นจะต้องพูดถึงคําว่ากามาวจรกุศลไปด้วยเพราะว่า แล้วเราก็รู้ว่าแปลกามะคือกามแล้วก็คือท่องไปแล้วก็กุศลอะกุศลนี่เราก็ยังไม่ได้พูด เป็นคร่าวๆว่าบุญที่ท่องไปในไม่จนรู้เรื่องโดยเฉพาะกับคนทั่วไปเพราะว่าเป็น <c oughs> เอาเข้าใจนึกได้ละคําว่าท่องไปในกามเนี่ยหมายกับท่องไปใหญ่ๆ2 อย่าง 2 ส่วนไอ้ว่าท่องไปในกามภพเนี่ยที่ 1 <c oughs> ให้ผลคือสร้างอัตภาพบุคคลนั้นให้เป็นกามสัตว์กามภพะให้ไปอย่างหนึ่งที่เรียกว่าท่องไปในแง่วิบากอย่างเราเนี่ย 11 อันนี้คืออย่างหนึ่งเป็นกามาวจรกุศลกณี 1 แล้วก็เมื่อกี้ว่าใน คืออย่างเราเนี่ยเราก็จะเป็นแล้วก็ทํามหากุศลกันเป็นหลักแต่ว่ามหากุศลนั้น แต่ฌานของเขาเท่านั้นเอออย่างเราเนี่ยเรามุ่งฐานเป็นหลักไม่ได้มุ่งกับสิ่งเหล่านี้เป็นหลัก นั้นกุศลนี้จึงถือว่าทือกเขาเหล่ากอนะเป็นของเราไม่ได้ในโลกนี่เป็นอย่างที่ 2 ที่เรียก อีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าท่องไปในกามอ่าเนี่ยหมายถึงท่อง <c oughs> ทำกับรูปก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะทําด้วยการให้ให้รูปเป็นรูป ตามมดเว้นอย่างนี้ซื้อหลีกเว้นจากนี่รูปเอาเป็นอารมณ์อย่าง เวลาเราทําเนี่ยนะฮะของเราบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องคือมันไปขัดกับคุณธรรมบางเรื่องก็ไม่ขัดนะบางเรื่องเช่นเราสูบบุหรี่เราถวายเวลาปล่อย เสร็จแล้วพระอาจารย์แต่งแล้วเป็นพระนักศาสตบันพระต้องคอยบอก สำนึกของเราตามชั้นภูมิของเราท่านไปถวายท่านเดี๋ยวท่านก็เทลงบาดเดียวคนเอาน้ํามาเทใส่รวมให้ไม่น่าดูเพื่อแต่ไม่ให้กิเลสเกิดอะไรอีก จะได้ไม่ไปเสียแรงผสมให้เสียแรงเราเองอีกทีนึงอย่างนี้ก็ไม่ ไอ้ของที่จะถวายก็ต้องเอาพานรองเหรอครับเพราะมันหนักมือแล้วด้วยก็หยิบยื่นกับมือทั้งหมดเรื่องเวลาพุทธเจ้าทําให้ประณีตที่นะไม่เพราะกิเลสของท่านเองถ้าท่านนะอาหารนะเพราะ มันไม่ได้บุญมากตรงนี้ไม่ได้อ้างเอาตรงนี้แต่ อย่างรู้จะหาชุดขาวใส่เนี่ยยังไปดูตามห้างนะต่อชุดขาวอย่าง ต้องต้องอย่างนี้ถึงจะเดินได้อย่างงี้นะหรือจะ จะต้องอาศัยความสะดวกสบายนะคือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างนั้นแล้วเขาทําให้ลงจริงๆธรรมะไม่เกิดจริงๆนะเพราะชีวิตเขาสั่งสมมา ไม่ผิดไปจากปกติชีวิตของเค้ามากนะ กามวจรท่องเที่ยวไปในอารมณ์นะนี่ในแง่ท่องเที่ยวในอารมณ์ท่องเที่ยวไปในท่องเที่ยวไปในภูมิเอ่อท่องเที่ยวไปในก็ ก็เป็นอย่างนี้อ่ะซึ่งจะกลายเป็นกามาวจรระ 2 ระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเอาล่ะเรา ชั่วโมงนี้คงจะพูดได้เฉพาะในประเด็นเดียวที่เรียกว่ากุศลหรือโกศลนะนั้นคําว่าโกศลเนี่ยเนี่ยจะ เสมอไปมีปัญญาเสมอไปอย่างลบแต่ละกุศล ท่านก็ไม่ยอมขยับว่ากุศลมหากุศลกามาวจรกุศลที่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ควรจะเรียกว่ากามาวจรกุศลน่าจะเพราะอะไรท่าน ถือเป็นความฉลาดไปหมดเรียกความดีว่าเป็น ชื่อวันนั้นแหละเป็นความไรฉลาดอยู่ในตัวและถึงไม่ เมื่อเกิดเป็นความเคยชินเราได้ด้วยเนี่ยสําเร็จเป็นเหตุ จึงต้องถือว่ากุศลเนี่ยถึงจะหลับหูหลับตาธรรมก็ฉลาด มรรคมีปัญญาแน่นอนทุกตัวจารกุศลเนี่ยมีปัญญาแน่นอนทุกตัวแต่ว่าปัญญาในในกุศลชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญญาคิดมากเป็นสักกายภาพอย่างชาญ มีขึ้นในขณะนั้นเชื่อว่ามีปัญญาทีนี้อาคามวจรเราเนี่ยปัญญาระดับกามมันต้องมีเกี่ยว ถ้าจะเรียกว่างงๆก็พูดได้ทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรมากเค้ามันสั่งสมมานี่คือเราตอนนี้อาจจะไม่พูด แล้วก็พูดออกไปก็พูดออกไปนี่ก็เป็นยันต์สัมมยุตที่ออกคือไม่อโรคยะเนี่ย คำว่าไม่มีโลกตรงนี้หมายถึงโลกอะไรครับเดี๋ยวจะนึกว่าไอ้พอเกิดกุศลจิตก็โลกหายย่วงเราหวัดก็หายไม่จริงๆไม่หายนะครับโลกตรงนี้หมายถึงโลก ก็จะได้ๆอยู่ในนี้ที่อธิบายต่อไปแต่ตัวนี้ต้องการบอกว่าเรา ชั่ววูบ 1 หรือชั่วเดี๋ยว 1 ในบางสถานการณ์นี่มีคุณค่ามากครับเช่นว่าสถานการณ์ที่กําลังจะตัดสินใจทําเนี่ยหน้าผิวหน้าขึ้นมาเนี่ย ขับรถมาชนข้างหลังเปี้ยงแล้วกุศลจิตไม่เกิดๆได้ย้ําว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิดถ้าเกิดอกุศลจิตนะคนเราถ้าไม่เกิดกุศลมันก็ไม่เกิดไม่เกิดอกุศลฉันเฉยๆไงไอ้เฉยๆน่ะ เห็นมั้ยนี่ถ้าเกิดกุศลขึ้นเช่นเราปิดออกรรมก็ดีเนื้ออะไรก็ดีหรือ <c oughs> เวลาเรามาฟังธรรมะเนี่ยทําไมสึกว่าใจกลับไปผมพูดรู้นะที่ผมก็ฟังธรรมแล้วก็ดีหรือกุศลจิตเกิดขึ้นในตอนหนึ่งเป็นชั่วโมงเนี่ยมัน มีอะไรพิเศษกว่าธรรมดาเนี่ยก็เพราะว่าเราหยุดโลกในจิตได้ชั่วขณะหนึ่งได้ระดับหนึ่งคําว่ากุศลที่พูดแทนกุศลทุกระดับหมดนะไม่เฉพาะแต่กุศลมหากุศลเท่านั้นแต่ถ้ามาพูด อัปปนากุศลนิฌานกุศลกลับมากุศลแต่ถ้าอย่าง 5 อย่างเนี่ยใช้แตงหมดอย่างของเราก็ถ้าไปทําภาวนาก็ ที่บาลีจะคําว่าสุนทอนฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานตัดสินคุณค่าทางจริยวัตรความดีความงามเนี่ยคนที่ ก็เป็นความดีความงามแล้วก็เป็นเสนีเป็นความน่าชื่นชมเป็นเราเวลาท่านดี อันนี้มีปัญหาเหมือนกันว่าบางคนนี่พอมีโอกความโอบเอื้อเผื่อแผ่นะ แล้วก็บางคนเนี่ยดูแล้วก็ดีดีซะจนกระทั่งคนไม่ กลêng ใจเอ๊ะ แต่ละส่วนแต่เราอ้างเอาความดีอันนี้เป็นหลักหน่วยนั้นถือว่าดีทั้งนั้นแต่ความดีนั้นจะ ความไม่ดีส่วนอื่นคือความละเลยก็เข้ามามีกําลังอาศัยความดีส่วนนี้เป็นกําลังเกิดก็ทําให้เกิดความบกพร่องขึ้นเพราะฉะนั้นตรง แต่กามอหังการเนี่ยเป็นความดีที่จะทําได้ทีละอย่างเจริญ เรากล้าจริงๆตรงไปตรงมาก็รู้ว่าคนเมตตาคนนี้เค้ามีอย่างเช่นเค้ามีปัญญาเค้ารู้ว่าคนนี้จะเมตตาแค่ไหนยังไงแล้วการอบรมสั่งสอนแค่ไหน ก็เลยเมตตานั้นเลยมีอานุภาพน้อยมีไอ้สิ่งเสียแต่ แม้เรื่องคุณธรรมข้ออื่นๆต่างๆจะมุรธาทานเหมือนกันให้โครง อ่าอีกวันแม่ขอพันธุ์ให้อย่างนี้คือเลี้ยงให้โตนะก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่<อ> อย่างกฎบางทีอาจจะรู้อยู่ก็อ่าทีนี้ว่าถึงอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ฟังแล้วกลายเป็นติดลบเลยฉะนั้นเชฏะของท่านกลับหมายถึงความฉลาดและความ คนไปรับของละแย่งกันนี้กับโสนุรมานจิตขณะนั้นเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้คือความไม่เรียบ อย่างไอ้ตอนส่งของปีใหม่เนี่ยนะไปตามที่ต้องการอย พอเรานี่คือพวกไม่เรียบร้อยแปะอย่างงี้ให้มันวางผ่านหน้าเลยนิ่งความหยุด<ง> มันก็จะเรียบร้อยไปเป็นส่วนรวมที่มาจากคนอื่นเดี๋ยวมันเอง เป็นความพร้อมฉลาดคนเกิดกุศลจิตเนี่ยน่ะเกี่ยวกับมีมัธยการมีความเงียบโสตระดับมีความ คือโลเรื่องสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์จริงๆนี่ไม่ได้ถึงแม้ว่าทําในหลายๆเรื่องเลยฮะทําท่าวางแผนลึก เป็นการวางแผนชักนําตัวเองไปสู่ความทุกข์ไม่ได้ฉลาดเลยอันนี้เราก็คิด อย่างการกระทําที่อาการภายนอกแม้ว่า เหมือนพ่อแม่ดีลูกลําลองนี้นะคือเพราะว่ามองเห็นอะไรบางอย่างก็ ด้วยการวางแผนการเอ่อบริหารดูในชั้นเพลเฉิน ทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ลึกมากจนกระทั่งเรามองไม่ อ๋ออย่างใดข้อคือผลมีผลไปนะเพื่อวันนี้จะ ต่อไปเวลาอาจจะมีการขยับให้มันพอหมอ 16 พฤศจิกายน 2537 เป็นการ การบรรยายพระภิกขัมวันนี้ ประเด็นนี้สําหรับในการ 8 ดวงว่ามี 3 ส่วนนี้ได้ก็ 8 นั้นเป็น 8 ได้ อ่าส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วนนั้นก็คือส่วน 1 ก็คือส่วนแห่ง 2 นะครับเป็นโสมนัสเวทนาได้แก่ความรู้สึกดีใจกับเป็นอุเบกขา ยังเลวก็แค่เป็นอุเบกขาเวทนาแต่ที่จะเป็นทุกข์นั้น หรือว่าในกรณีของบุคคลรักษาศีลเจนรักษาศีล 8 ไม่กินข้าวเย็นแล้วก็เกิด ที่ไม่ใช่ก็เช่นในขณะที่บุคคลออกบวชอ่าความอ่าเมื่อไป แต่ว่าส kidnapped zu ham, s sind z están mal hierscha tsch解. I guess in the sense that there's no body sense chiy persons or the mute smith orК BelgIR kas individu turn the Mount. Re requirement Clone, which is the ultimate Self-那个 machine use a humbug. it is the cu transaction for God to work. this is that this means that God will do every kind especially the same so-called simple and unimaginable control. itself is great, entirely because knowledge is 13 through everyone is enough. ความทุกข์ความโทมนัสหรือโทสะนั้นจะเข้ามากวนเข้ามาแทรกอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเจริญสติปัฏฐานนั้นอภิชฌาเข้าจริงๆนั้นจะเป็นโทมนัสเข้ามาแทรกเป็นโทมนัสอย่างเป็น ด้วยอาการอย่างไม่สมควรบ้างๆกันไปอันนี้เป็นนั้นก็จะทําให้ แล้วก็ยอมรับยอมเข้าใจอย่างนี้ธรรมดาเห็นธรรมชาติของการทําความดีว่า <c oughs> ในส่วนของกุศลนะก็ได้แก่ญาณญาณ 8 สัมปยุตในทางลบคือค่าในทางลบ มันยกทิฏฐิคือความเห็นผิดพระถือว่าความเห็นผิดเป็นตัวร้ายแรงที่สุดเป็นตัวเลวที่สุด คุณธรรมประกอบอยู่ในนี้หลายส่วนหลายตัวประกอบอยู่ในนี้หลายส่วนหลายตัวเจต 2 นึงซึ่งเขาจะพูดถึง ดีที่สุดมีคุณค่าทางบวกที่สุดในกุศลจิตนั้นได้แก่ปัญญานะได้แก่อ่าซึ่งก็หมายความว่าในขณะ อันไปจากนี้ว่าในกุศลกรรมบถ 10 นั้นกุศลกรรมบถบางส่วนบางข้อถือว่าที่มักจะเป็นปัญญานะฮะหรือเป็นกระบวนการของปัญญา เมื่อบุคคลทํากิจอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้เจริญปัญญาขณะกระทําก็ <c oughs> ด้วยความตั้งใจด้วยความบรรลุถึงได้แก่ 1 ทิฏฐุชุกรรมจริงมะทิฏฐุชุกรรมเช่นเชื่อ บุญบาปมีนะฮะเชื่อว่าผลของบุญกับบาปมีเชื่อว่าอ่าในขณะนี้แต่ ให้เราแสวงหาก็เพื่อให้ได้ปัญญาเราผู้แสวงหาด้วยวิธีการใดๆแม้ว่าตอนแสวงหามาอาจจะได้เต็มที่ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่ชัดหรือยังไม่ได้แต่เมื่อเราได้ดําเนินตาม นี่เป็นองค์ธรรมที่เป็นเจ้าของบุญกิยาวัตถุข้อนี้นะฮะอ่าถ้าหากว่าท่านจะบางคนอาจ ในฝ่ายที่สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ประสงค์ในข้อนี้นั้นน่ะที่สูงขึ้นไปกว่ากันแล้วกัน การฟังธรรมเนี่ยเราฟังเพื่อโง่ใช่มั้ยครับใช่มั้ยฮะไปไปฟัง ที่เป็นบุญญาวัตถุข้อนี้เป็นฝากฝ่ายของปัญญาไอ้คนที่ฟังมากเนี่ยมีปัญญาดีเป็นที่สุดทุกคนนะการ ในชั่วโมง 1 ข้อความตัวนี้เราอาจจะต้องได้ความเข้าใจ 100 นึง นึกว่าเข้าใจถูก 10 ปีมาพูดใหม่มาค้นใหม่เอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดเราเข้าใจจริงๆกัน อาจจะโง่อยู่แต่นี่ก็ฉลาดนะมันไปแนวนั้นเราก็ต้องคอยระแวง การแสดงธรรมก็เป็นฝักฝ่ายของปัญญาว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้นี่จะเป็นอีกมุมนะอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นสังฆาลิกสังฆาลิกที 3 แล้วนะฮะ 3 แล้วที่เป็นกุศลฝักอ่ะ คือภาวนาภาวนามัยภาวนามัยน่ะถือว่าเป็นบุญกิริยาใช่ไม่ใช่ไม่ว่าจะทําสมถะก็ได้ปัญญาอย่างภูมิปัญญาสมถะทํา มีความหมายเพื่อปัญญาและโอกาสที่จะเกิดปัญญาได้มากยิ่งทํามากยิ่งได้ปัญญามากซึ่ง ขาดผิดคิดพูดแล้วเค้าไม่เค้ารับฟังคือเค้าไม่เข้าใจนะคือฟังไม่ออกแม้แต่ จะชัดเจนๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างจะ 4 ตัวและ 4 ตัว